แล้วก็อนุโมทนาบุญกับผู้ที่จัดงานทั้งคุณหมอคุณพยาบาลและทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมฟังธรรมะหน้าที่โรงพยาบาลเซนหลุยก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นครั้งที่สอง มาในฐานะของอุปกรณ์ของพระธรรมก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์พูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตกับธรรมะก็ตามสมควรเกี่ยวเวลา ถ้าว่าเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจเรายังเคลื่อนไหวได้เราก็ต้องทำหน้าที่ทําหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ในช่วยเหลือกันช่วยทางด้านร่างกายไม่ได้ก็ช่วยแต่ด้านจิตใจช่วยแต่ด้านจิตใจนั้นบางทีมันก็ ไม่ขึ้นอยู่กับร่างกายที่ไม่ปกติน ะ, ะถือว่าจิตใจเราสามารถทำงานได้ช่วยใครไม่ได้ก็ช่วยให้กำลังใจก็ยังมีประโยชน์อยู่ให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ก่อนที่จะมาเป็นผมในวันนี้นี่ผมก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาว ฟังความทุกขุมามากเรียกว่าเป็นความทุกข์ที่แสนสาหัสทั้งทางร่างกายและจิตใจก่อนที่จะพิการเราก็มีชีวิตที่ดีอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่ามีทุกอย่างชีวิตจะมีความหวังแต่ว่าเราก็ต้องเจอกับความไม่แน่นอนของชีวิต ประสบอุบัติเหตุนะจนสภาพร่างกายต้องอยู่อย่างไม่ไมปกติแล้วก็จะต้องเป็นอยู่สภาพเช่นนี้ไปจนตายนะเนี่ยตอนนี้ก็สามสิบสามปี้าจะอยู่อีกนานคือเมื่อตอนที่เป็นใหม่ใมเนี่ย ร่างกายมันก็รู้ว่าต้องพิงการตลอดชีวิตช่วเป็นความมีการเรื้อรังก็ไดนะ้ <c oughs> เห็นไหมโรคเรื้อรังมีมากมายฮะผมก็เป็นมีความพิการเรื้อรังแล้วกันแล้วสภาพที่อย่างนี้ใจเรานึกถึ ง, ถงตัวเองเมื่อไหร่แล้วก็มันก็เป็นทุกข์มันนะจิตใจก็เลยหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์ของร่างกาย ว, ว่าเราควจะต้องใช้ชีวิตแบบ พิกาและเป็นทุกอย่างเงี้ยไปต น, นลอดชีวิตดูท่าทางจิตใจมันจะทุกข์เรื้อรังเหมือนกันนะเรื้อรังทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยแม้แต่คุณหมอก็ช่วยไม่ได้นะช่วยทางด้านร่า ง, งกายก็ไม่ได้จิตใจนี่ก็ยังช่วยเราไม่ได้ได้เพียงแค่กำลังใจเดี๋ยวมันก็ค่อยดีขึ้นไปเองค่อยดีขึ้นไปเอง มันก็กทนทนอยู่สภาพของคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่มันก็นางพอสมควรเงี้ยสิบหกปีของการที่จะพลิกเปลี่ยนชีวิตใหม่พอเราทุกจนพอสมควรแล้วพอเพียงแล้วมันก็เลยคิดที่จะหาทางออกดูมันไม่ตายสะทีนึง ด้วเอ๊ะทำไมเรากะว่าไม่เกินห้าปีเราต้องตายนะั้นไม่เกินห้าปีต้อตายแน่นี่คิดเอาเองในสภาพร่างกายที่ไม่ปกติแต่มันผ่านไปแล้วห้าปีเราก็ยังไม่ตายผ่านไปอห้าปีมันก็ไม่ตายติดปีแล้วจนอีกห้าปีเป็นสิบห้าปีโอ้ดูท่าจะ ไม่ตายง่ายๆนะครับเออพอคิดว่าเ อ, อถ้าเราไม่ตายเนี่ยเราควรจะทำยังไงให้ชีวิตเราเนี่ยมันมีความหมายมีคุณค่าสำหรับตัวเราเองว่า ต, ตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเราก่อนเราจะตัวรอดอย่างไรบ้างผมก็เริ่มที่จะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แล้วว่าเออ เราจะทําความทุกข์ของเราเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยและชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยให้มันมีความหมายบ้างจะทํำยังไงคนที่ประสบปัญหาเรื่องความทุกข์ล้วมักจะรังเกียจมันมันจะเหยียบให้มันลงให้มันหมดไวๆแต่ผมกลับมองตรงข้ามนะผมพ่ายามจะยกความทุกข์มาเนี่ย ให้มันมีความหมายกับเรับรือเ่าโดยที่มันจะสร้างคุณค่าับชีวิตเราได้ไหมความทุกข์ของเราอพอเราถึงจุดนี้เราก็เลิกก็ได้ว่าอ๋อเราต้องยอมรับตัวเองเราต้องยอมรับในข้อจำกัดของตัวเองแบบไม่ปฏิเสธคือต้องยอมรับเลยว่า ม, มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ถ้าเราไม่ยอมรับเราไปต่อต้านเนยมันก็ต่อต้านกันมาสิบหกปีแล้วไม่เคยต้านชนะเลยนะจนเข้าปีที่สิบหกมันไม่เคยต่อต้านชนะเลยมันก็ยังอยู่งนะั้นอะเรื่องกที่ใก็เป็นทุกๆปีเพราะเราไม่รู้จักยอมรับมันปฏิเสธมันอยู่เรื่อยแต่เราเปลี่ยวิธีคิดใหม่จะทําชีวิตเราให้มันมีความหมายให้ความทุกข์เรามันมีความหมายเราก็ยอมรับมันก่อนอ๋อนะไหนไหนมันคิดการเดินไม่ได้ก็ชักมันก็ เดินไม่ได like, ้ก็ไม่ต้องเดินกันเดินไม่ได้ก็ไม the ่ต so ้องเดินเราจะได้นั่งกินนอนกินอยที่เราเคยคิดไว้ไงนีมันก็คิดย้อนไปไอ้คำพู่ที่ที่ประมาทของเราแล้วเราก็พยายามที่จะเรียนรู้เรียนรู้ที่จะอยู่ในสภาพของร่างกายที่ไม่ปกติเนี่ยอยู่ให้ได้เพราะไม่มีใครช่วยเราได้เขาช่วยแก้ภายนอก เราต้องเรียนรู้ทุกช่วยตัวเองเรียนรู้ที่จะช่วยตัวเองที่อยู่กับมันได้อยู่อย่างไรก็ยังดึงไม่ออกว่าจะทํำยังไงดีกับตัวเราคือเราพยายามหาตัวช่วยคุณหมอบังคุณพ่อคุณแม่มั่งพระเจ้าประสงค์มั่งก็ช่วยเราไม่ได้ทีนี่เราต้องช่วยตัวเองช่วยช่วยตัวเอง<ม>เรียนรู้ ที่อยู่สภาพร่างกายที่มันไม่ปกติเนี่ยอยู่ให้ได้แล้วต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ด้วยจะเปลี่ยนมุมมองชีวิตเสียอใหม่เรามักจะมองว่าโอ้เรามีแต่ความลำบากเนาะเรามีแต่อุปสรรคโทษสิ่งนู้นสิ่งนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะเปลี่ยนว่าเราจะฟื้นฟูมันยังไงจะฟื้นฟูมันยังไงให้มันใช้ประโยชน์ได้กับ ต, ตัวเราก่อน เนื้อดามันต้องช่วยตัวเองมันต้องช่วยตัวเองก่อนตอนแรกก็ไม่ได้คิดช่วยตัวเองเราสงสารคุณพ่อคุณแม่ที่เราไมาช่วยเ ห, หลือลระต้องป้อนค่าต้องจับเราพิดตัวต้องใ ส, ส่เสื้อเราทุกอย่างให้ท่านมาช่วยเ ห, หลือเราบางทีช่วยแล้วแล้วเรานอนหลับไปตื่นมาย่างเห็นคุณแม่ยังกว่าพื้นไม่เสร็จ ยังจัดหอมแต่ที่นอนไม่เสร็จเลยโอ้เราสงสารท่านมาเราช่วยท่านยังไงเนะาะก็ได้ก็ได้เราจะช่วยท่านได้นั้นต้องช่วยตัวเองเราจะได้ลดภาระมันมุ่งเดียวมาแก้ปัญหาตัวเองอยู่แลยช่วยตัวเองอยูเ่เลยเวลาไปช่วยตัวเองก็จะช่วยคนที่เขาดูแลด้วยเขาจะได้ไม่ต้องมีภาระเรามากๆากให้เขาลดภาระลงไปเราตัวเอาต้องช่วยตัวเอง ภาระของเราต้องรับเอาไปเองเมื่อเราทําตัวเองไม่ได้แล้วตนะ้องอขอร้องพูดจาไปร้องขอร้องช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยเราก็ยินดีจช่วยแต่เราก็พยายามช่วยตัวเองฝึกผลตัวเองผมทํากายภาพบาบัดด้วยตัวของตัวเองทำกายภาพบำบัดอะไรเคลื่อนไหวได้ก็มันจับมาเคลื่อนไหวไอ้ร่างกายส่วนไหนที่มันไม่พิการหรือพิการ้าันก็จับมาใช้ประโยชน์ อย่าไปเลี้ยงเคลื่อ น, นไหวทาเพื่ออะไรก็เพื่อตัวเรา <c oughs> หยุดความคิดที่จะเป็นความลําบากหรืออุปสรรคต่างๆมองข้ามเราต้อง <c oughs> มองข้ามอุปสรรคของชีวิตมองข้ามความลําบากไปซะอย่าไปชนไปนติดอยู่แค่ตรงไอ้ความคิดที่มันไม่ไหวไม่เอามันคงแยกข้ามไ ป, ไปทําไม่รู้ไม่ทิ้งแม้วมันจะมีก็ตามองไม่สนใจมันสักมันก็ไม่มีความหมายสำหรับเราเร า, เราจะทําอะไรตอนนั้น เราก็ทําของเราอย่าไปให้ความคิดที่มันทําให้เราท้อทแท้ท้อถอยทอดอะไรมาบั่นทอนการพัฒนาชีวิตของเราการทอดอะไรเนี่ยไม่ไดประโยชน์ทอดไข่จะได้ไข่กินทอดอะไรมันก็ไม่ได้อะไรกินเราไม่เอาเราจะทอดไข่ช่วย ฝึกกายภาพตัวเองพลิกตัวเองทำอะไรได้สักครั้งหนึ่งเนี่ยเรากเกิดความภูมิใจสภาพอย่งเรานี่จะทำอะไรมันทัดเทียมอื่นดันั้นต้องมีความขยันเขาอีกเท่าตัวต้องมีความพยายามอีกเท่าตัวต้องทนกะบคนบปกติเท่าตัวทำให้มากกว่าเขาและเราจะเสมอเขาหรือตามเขาทาันไม่รับหน้ า, เ, าเอาแค่เสมอเขาก็พอตามทันก็พอแล้วลก็ฝึก ทำกายภาพช่วยร่างกายเรานี่ก็ส่วนของดาร่างกายมันก็ฟื้นฟูขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งนะไอ้ส่วนไหนที่มันอ่อนแรงมันก็ขยับได้นะเนี่ยสมัยก่อนในมือท้ายเนี่ยผมขยับไม่ได้เลยนะได้แค่มือขวาเนี่ยสำหรับสี่ห้าสห้าที่มันหักกระดูกสี่ห้าที่มันหักมันก็ได้แค่ได้แค่ส่วนเวไหน ส่วนล่างนี่ก็ไม่รู้สึกเลยนะไม่รู้สึกเอาเข็มแทงก็ไม่รู้สึกขับถ่ายก็ควบคุมไม่ได้เรามีแค่ส่วนที่เป็นปกติเมื่อก่อนยกนั้งนี้ไม่ได้ยกเลยเวลาจะยกมือก็ต้องจับแล้ว ก, ก็ยกยกจับแล้ว ก, ก็ยกเพอเราฝึกที่จะฟื้นฟูช่วยตัวเองไปอยู่โรงพยาบาล4เดือนกับการทางกายภาพไม่ได้ผลทำอะไรก็ไม่ได้ผล พอเวลาพยาบาลดูอยู่เราก็ทำย้อยๆแยกทำไปคิดไปเออทำที่มือขามจะได้ยังไงทำไปก็ขัดแย้งตัวเองไปแล้วพยาบาลก็ชอบคุยกันแอบคุยที่เราคุยล้วก็หยุดเรารู้เขาชอบคุยกันเวลาผมตั้งชื่อห้องนั้นว่าอะไรยู้ไห ห, ไ ห, ห้องขอให้เหมือนเดิมที่ดมีไห ห้องขอให้เหมือนเดิมห้องกายภาพบำบัดนะ่ะเป็นห้องขอให้เหมือนเดิมผมตั้งเอาไว้อ๋อนี่เป็นห้องขอให้เหมือนเดิมพยายามจะปืนปูวเอให้เหมือนเดิมเราทําไปแเราขัดแย้งไปโอ้ถึงอย่างไรอย่างไรก็ไม่เหมือนเดิมหนลอกเราทำไปก็เขามองหรอก็ตามเขาไม่มองเราก็เฉยมันไม่ได้พัฒนาตัวเองแสดงว่าห้องกายภาพวันนั้นช่วยช่วยเหลือผมไม่ได้ เรากลับไปยังภาพตัวเองที่บ้านโอ้เราทํำไปตัวของเราเองนะไม่มีไม่มีต่อหน้าไม่มีรับหลังทำเองเรารู้เอง <laughs> ช่วยตัวเองทําไปแต่บันก็อื้อมาเ น, นี่แขนซ้ายนี่ยทำจนยกขึ้นเลยนะยกขึ้นเดวนี้จะเกิดจะเท่าแขนขวายกจนลืมไปว่าเราโอ้เราเป็นคนที่เคลื่อนไหวได้ น, อน้อยบนพิการยกไปจนลืมเลยเราเป็นคนปกตนะิผมมองตัวเองคนปกติบางที อยากยัลุกขึ้นยิงพูด่ยังรู้ตัวอยู่เรายังเหนยไม่ได้ยังรู้ตัวอยู่นะไม่ไม่หล่นคนลุกขึ้นยินคว้าหม่แน่นอนไม่เลืนตัวนี่ช่วยท่าร่างกายมันก็พฒทำได้ส่วนหนึ่งไอ้ส่วนที่อ่อนแรงคิดว่ามันไม่ไหวมันกลับไหวขึ้นมาแค่เพียงสิ่งเนี้ยเราสึกมันเกิดความยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเราพลิกตัวเองครั้งแรก โอ้ดีใจมากโอ้เราสามารถพลิกตัวเองได้โดยไม่ต้องมีพ่อแม่มาช่วยเหมือนเราความสามารถแค่เด็กไม่เกินหนึ่งขวบที่พลิกตัวเองเราภูมิใจมากในความที่เราทําได้อื่นก็มองเป็นธรรมดาแต่เราว่าเราได้ยิ่งใหญ่มากเราสามารถทําได้นี่นเราเป็นฐานกํำลังใจที่ทําใำสิ่งนี้มันยากกว่านี้สิทธิยากสุดในชวิตผมคืออะไรเอาชนะใจตัวเอง โหนี่มันยากมากการเอาชนะใจตัวเองนี่มันมันยิ่งใหญ่จะต้องเอาชนะมาให้ได้เอาชนะใจตัวเองช่วยกันด้านร่างกายโดยการทำกายภาพตัวเองพื้ฟนฟูตัวเองเมื่อก่อนขับถายไม่รู้สึกหรอกปัสสาวะอุตรไม่รู้มันไม่รู้สึกความสึกมันปิดหมดแล้วแต่เราสามารถที่เรียนรู้ได้ว่า อาการแบบนี้คือการปวดปัสสาวะอาการแบบนี้คือการปวดกุจละอาการแบบนี้โดนมดต่อยโดนยุงกัดเรียนรู้เข้าใจตัวเองเพราะสิ่ ง, งนีเดี๋ยวนี้เวลาปปสัสสาวะเราไม่ต้องใช้สยยางเรามีมือถือประจําตัวเรียกคอมฟอร์ตเพราั้มือถือมันมีมือถือหน้าคอมฟอร์ต มันเป็นมือถือจริงๆเข้าไปพูดในเรือนจำเนี่ยเขาไม่ให้เข้าบอกห้ามพกมือถือเข้าไปเรามองหน้าขอผมต้องขนไม่ไหมมือถือของผมเนี่ยไม่ได้บอกเนี่ยมือถือผมเหน็บอยู่หลังเนี่ยมือถือคอมฟอร์ทเนี่ยมันมือถือก็ถือตัวเองนะเนี่ยนิ้วมือนี้ใช้ไม่ได้หรอกต่ว่าฝึที่จะใช้ทําไมมันจะใช้ไม่ได้เขาจะใช้มันขึ้นมาเราดื้อกับความรู้สึก ที่มันทอดอะไรนั้นเราพยายามจะพยายามฝึตัวเราเองก็เพื่อตัว เ, เองในเรื่องร่างกายไม่สำคัญอาการฝึกฝนจิตใจเราบริหารกายฟื้นฟูจใจด้วยการทันกายภาพบาบัดแต่เราบริหารจิตฟื้นฟูจิตให้มันเข้มแข็งในสภาพที่ร่างกายมันอ่อนแอ ด้วยการปฏิบัติธรรมนี่แหละคือการเจริญสติในชีวิตประจําวันฟื้นฟูจิตด้วยการเจริญสติการเจริญสติเป็นการบริหารจิตที่ดีเยี่ยมให้จิตมันมีกําลังมันข้มแข็งไม่ให้อยู่ใต้อยู่ภ า, ายใต้อานาจของความท้อแท้ถ้อถอยหรืหมดกําลังใจ <c oughs> แล้วก็ฟื้นฟู มันสนุกกัแบบการที่จะ บ, บริหารจิตคือการเจริญสติผมไม่ไหนไม่ได้หล่ะก็นอนอยู่บนเตียงก็นอนเคลื่อนไหวอยู่บนเตียงเนี่ยติกตัวไปติ๊กตัวมาก็มีสติรู้ให้มีสติในรู้ ร, รู้ตัวเราเรื่อยๆเราพลิกขยับตัวไปไก็รู้เนี่ยไม่มีอะไรทำก็นอนพลิกมือเล่นแล้วก็รู้สึกนอนพลิกมือแล้วก็รู้สึก ให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวให้ใจมันโคจรอยวิร่างกายไม่งั้นมันจะไปจะคิดมันคอยจะคิดคิดและคิดมองโลกในแง่ไม่ดีคิดมองชีวิตในแง่ร้ายคนสภาพที่จิตใจเป็นทุกข์เนี่ยมันจะคิดมองในแง่ดีนี้ยากมากมันพลิกจิตไม่ได้แต่เราพอพลิกมือแล้วรู้ตัวนี่ามันพลิกจิดได้เอาจิตกลับมารู้ถึงตัวรู้ตัวมันก็ไม่หลงไปกับไอ้ความคิดลงแต่ หน้าตกลกกับการพลิกมือเล่นแล้วก็รู้สึกเนี่ยมันมีเครื่องอยู่ของจิตจิตที่ไม่มีเครื่องอยู่ไม่มีหลักในจิตมันก็เลื่อนลอยร่างกายอยู่นี่ใจก็เลื่อนลอยไปเสียด้อดีตกังวลถึงอนาคตชีวิตไม่มีปัจจุบันเราก็เอาจิตมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวชีวิตเราก็มีปัจจุบันอยู่เรื่อยอยู่กันเนื้อกันตัวเนี่ย พอจิตมันไม่คิดปรุงแต่งจิตมันก็สบายมันก็มีความสุข <c oughs> มีความสุขมีความสดชื่นโอ้อการเจริญสติเป็นเครื่องอยู่ของจิตที่ดีที่สุดในโลกเลยซ้ำไป <c oughs> จากจิต ท, ที่เศร้าหมองมนสามารถที่เป็นปกติและเมือบิกบานได้จากการนอนคลิกมือนี่เป็นการบริหารจิต้วยการเจริญสติยิ่งทํามันก็ยิ่งดีนะยิ่งทํายิ่งดีที่ดีเพราะอะไรมันดีเพราะรู้จักตัว เ, เองดีขึ้น แต่ก่อนเรามองตัวเองในแง่ร้ายทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมเราเป็นอย่างนี้เนี่ยมองมันไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยมันดีมาแล้วแล้วต่อไปเป็นไงมันมองตัวเองในแ ง, ง, ง่ร้ายทั้งนั้นเลยเพราะว่าจิตไม่มีเครื่องอยู่อ่อนแอแต่เรามาอยู่กับการเจริญสติอยู่กับความรู้ตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันมีเครื่องอยู่ที่ปลอดภัยจากอารมณ์ปรุงแต่ ที่เกิดจากความคิดแนวอดีตแนวอาคตอยู่กับปัจจุบันการปรุงแต่งไม่เกิดขึ้นเมื่อเรามีความรู้สึกตัวตัวนี้ติดมันมีความเบิกบานสดชื่นตัวที่เราไม่ไปคิดปรุงแต่งอะไรให้มันวุ่นวามันเป็นเครื่องอยู่ที่ดีสุดในโลกของเราด้สมัยยิ่งทำเราก็ยิ่งดีดีเพราะรู้จักตัวเราเองดีขึ้นอ๋อชีวิตเราเนี่ยมั น, ม, นมันประกอบด้วยกายกับใจ ประกอบด้วยกายกับจิตและกายกับจิตก็เป็นเรื่องของมันที่มันมีาการเปลี่ยนแปลงกายเปลี่ยนแปลงเป็นทุ ก, กข์เพราะโรคไปก็เจ็บบีบคั้นจิตใจเป็นทุกข์เพาะมีอารมณ์มาปรุงแต่งเราห้ามความป่วยไข้ไม่ได้แต่เรามีสติรู้ทันมันได้เราห้ามความคิดปรุงแต่งไม่ได้แต่เรามีสติรู้ทันมันได้แค่รู้ทันจิตแล้วเป็นอิสระ อิสระจากความพิการของร่างกายอิสระจากความคิดปรุงแต่งในอดีตนะครับจิตะอิสระขึะ้จิตที่มันปลดจากการปรุงแต่งมันก็ผ่องใสมันก็มีความเบิกบานจะว่าความสุขมันก็ยังน้อยเกินไปเอาความเบิกบานนี่มาเป็นเครื่องอยู่ของจิตที่บริสุทธิ์นัคือการเจริญสติเนี่ยเนี่ยรู้จักตัวเอง ฉลาดที่จะแก้ปัญหาตัวเองเราแก้ปัญหาตัวเองเนะีพาจิตใจออกจากความทุกข์ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเติมติ๊กตัวของเราเองแล้วมันใช้ได้เฉพปัจจุบันนี้นะใช้ได้เนพะปัจจุบันนี้ก็อยู่แบบเป็นโตติไม่ต้องเป็นทุกขนะ์ลืมแล้วว่าเราเป็นคนพิการมันคือความฝันเราฝันไล่ไปเราตื่นจากความฝันแล้วเราไม่กลับไปเป็นทุกข์เหมือนเดิมอีกต่อไปแนละ้ว กล้าที่จะรับรองตัวเองเาเองไดอนุภาพของพระธรรมอนุภาพของการปฏิบัติตามหลักธรรมะคือการตร้งสติเลยนิยามที่เราเจ็บป่ว ย, เ, ยเรามักจะหมกมุ่นครุ่นคิดยอยู่กับสิ่งเก่าๆเดิมๆ อยู่กับความทุกข์ความเศร้าความวิตกกังวล น, นั่นคือคนเจ็บป่วยจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นการซ้าเติมตัวเองไม่เป็นประโยช น, น์แต่ถ้าเราเริ่มต้นเอาความทุกข์ให้มีความหมายกับเราโดยการที่ยอมรับสภาพของความเจ็บป่วยมันเกิดขึ้นแล้วนั้เราเรายอมรับสภาพมันซะ อย่าปฏิเสธมันการยอมรับเนี่ยเป็นการผ่อนคลายความนตะิดใจเราเสียเวลาไปต่อต้านมันเพราะมันเป็นไปนแล้วต่อต้าน อ, อะไรก็ต้องเป็นเรายอมรับมาร้างโอ้มันธรรมดาเนี่ยเราก็ป่วยคนนู้นก็ป่วยเปิดใจว่าไอ้ที่ปนะ่วยหนักอะเราก็มีเรายังมีโอกาสถึงเราไม่มีโอกาสเราก็ยังมีสติปัญญาที่จะอยู่สภาพของความทุกข์ของร่างกาย ใ, ใจไม่ทุกข์ก็ได้มองให้เป็นเป็นทางออกยอมรับ อย่าไปริษณ์มันไอ้การยรักนี่มันดีทำให้ใจเราเนี่ยผ่อนคลายขึ้นเยอะส่วนการรักษาเนก็รักษากันไปยอมรับไม่ใช่ยอมแพ้หรืยอมจานนยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็รักษาไปหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรเนะี่ยเราก็มองอย่างนี้เลยนะอย่าคาดหวังว่าต้องหายเสมอไปบางทีมันก็ไม่หายหมอยังเป็นได้ เราไม่หายก็ไม่เป็นไรเราเนี่ยหายก็ดีไม่หายก็ไม่เป็นไรยอมรับตรงนี้ปับใจเราก็จะเป็นปกติไม่ทุกข์กันถ้าเราจับยอมรับได้เนี่ยเรายังมีโอกาสมีโอกาสได้คิดว่าเราจะรักษามันอย่างไรดูแลมันอย่างไรถึงจะดียังมากก็เป็นทุกข์เฉพาะร่างกายถ้าเราคิดอย่างนี้เราใจามันก็ไม่ทุกข์ได้เหมือนกัน ทุกข์เฉพาะร่างกายแต่ไม่ทุกข์ใจการยอมรับนี่มีประโยชน์มากนีทุกข์เฉพาะร่างกายแล้วก็ไม่ทุกข์ใจเมื่อใจไม่ทุกข์นี่ก็สามารถที่จะรักษาร่างกายได้ดีมากการไปเสียเวลาต่อต้อตานเนี่ยมันมันไม่ช่วยอะไรเราได้เสียเวลานี่ยมีเนทำคนหนึ่งยอย่างเเเเคุณเอ๋เนี่ยคุณเอ๋เนี่ยคุณเอ๋นี่เป็นมะเรเป็นมะเร็เนะ เป็นมะเล็มาก่อนนะเมอเริ่มต้นจากการที่ไปตัดชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วก็รอฟังผลขนาดรอฟังนีขับรถขับรถที่สลัมบุรีนะลมตรงโมกเหล็กหน้าลมปูโดยโออัตรามากตรงแย่สมาธิสูง <c oughs> ก็นั่งอยู่ในรถนี่แหละเขาก็ขับรถในป่าางเคี้ยวแฮมเบเกอร์ยังไม่หมดป่ากางเคี้ยวแฮมคุณหมอโทรม่อยาก่ยาา เนะี่บอกคุณเอต้องรีบไปโรงพยาบาลด่วนนะเพราะคุณเอเพราะคุณเป็นมะเร็งหมอไม่กล้าบอกเลยเนี่ยหมอไม่กล้าบอกแมนะ่จะมาบอกต่อสําคัญกันด้วย <c oughs> คนนั่น <c oughs> เขาดิ้นใจเต็มความเลยโว้ยใจก็ยังปกติอยู่ปล่าจิตตกหรือยังถ้าจิตตกนี่โว้ยมันลดลงข้ายทางเลยนะทางนั้นเป็นทางนี่อุบัติเหตุไหวครับนะขับรถไปดูทำท่าจะไหวนิ่งแตนะ่ถึงปั๊มจอดเลย หมอยังไม่กล้าบอกนะว่าคุนอ้เป็นมะเร็งเพราะตรวจชิ้นเนื้อพบพบชบิ้ชบพบมะเร็งไม่กล้าบอกแต่บอกมาให้คนฟังก็เอรับได้ทำต่ได้ขับรถไปจอดปั๊มถามโทรถามหมอทีหมอบอกเป็นเป็นก็นึกถึงเรื่องรักษาเลยเราจะรักษาอย่างไรวนะ่าข้ามขั้นตอนของการจิตตกแล้วเป็นทุกข์ แล้วก็ไม่ยอมแล้วก็ไม่ยอมไม่รับความจริงโทษเสื่อมทีงนี้มันข้ามขั้นตอนของความซ่อมหม่องจิตตกไปเลยโดยที่หาทางรักษาทันทีพอต่อมาไปถึงโรงพยาบาลปับหมอนัดผ่าตัดเลยหายได้ไัหนึ่งเดือนตัดไปเลยไม่ต้องจีกขีโมูนะมะเร็งร้ายหายไปเลยจปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีนะมันยังยังไม่เกิดนะมันจะว่าไม่มี ข้ามขั้นตอนของความทุกข์ความไม่ยอมความิตเนี่ยไปสู่การรักษาเสร็จแล้วมันก็หายไม่ไหวนั่นจะเสียเวลาที่ไปทำตามขั้นตอนของความทุกข์เลยข้าไปบ้างก็ได้อะไรที่มันทำให้เราบั่นทอนจิตใจก็ข้ามไปเลยน่ข้าไปรักษาก็รักษาไปท่นคนที่มีปัญหามีโรคไปกคเจ็บเนี่ยเราต้องจัดยอมรับกันบ้าง ใจจะได้ผ่อนคลายเดีย๋ยวรับซะแล้วเราก็หาทางรักษาเนี่ยมันจะมันทำให้เราเนี่ยทุกทางด้านร่างกายอย่างเดียวใจเราไม่ทุบ ท, ที่เวลาที่เรามันเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราทำใจอย่างไรเมื่อเรารักษาร่างกายแนละ้วแต่ใจเราไ ม, ม่ยอมหยุดนะใจมันยังพุ่งสร้างยังไม่สมมงบตัวนี้แหละต้องอาศัยอาศัยการทำสติทาสมาธิบ้าง เพื่อช่วยใจเราไม่ให้ทุกคนที่ไม่เคยฝึกจิตฝึกใจเนี่ยเรา ม, มีวิธีการที่จะแก้ปัญหาไนดะ้่างน้อยเราก็ฝึกที่จะสวดมนต์ทุกเวทนาทางกายที่มันรุนแรงนั้นทุบทางกายก็พอแรงอยู่แล้วถ้าจิตไปหมกบุ่นไม่ยอมมันไปต่อต้านมันมัก็ทุ์ทั้งกายทั้งจิตเลยลก็ยอมอ่ะ เจ็บก็เจ็บเราก็สวดมนต์เมื่อเรารักษาแล้วกินยาแล้วทายาแล้วในเรื่องของร่างกายก็ต้องรอเวลาให้มันหายโดยการในระหว่างการรอเนะี่ยจิตจะสดดวดมนต์เรเกิดทุกขเวทนามาสวดมนต์บทอะไรก็ได้ใครนะั่งตือศาสนาไหนก็สวดบทนั้นไปนะมันช่วยทําให้ดึงจิตออกมาจากทุกขเวทนาได้ชั่วขนาดหนึ่งมันดึงออกมาได้นะ <c oughs> มันมันจะเป็นการแยกกายแยกจิต แยกเวทนากับจนะิตี่สซ้ำไปการสวดมนต์ถ้าใครสวดไม่เป็นไม่ผิวสวดมนต์เลยร้องเพลงก็ได้เนี่ยการดึงจิตมาร้องเพลงเนี่ยมันก็ช่วยได้นะมันสนุกนะร้องเพลงต้องเลือกเลือกเพลงที่ร้อนด้ยนะอย่าไปร้องเพลง <S <S เจ็บนี้อีกนานมันต้องร้องเพลงใหม่จะเจ็บอีกทีก็ไม่สําคัญเออเนย มันต้องรู้จักยกจิตเปลี่ยนจิตจากเวทนามาจับอารมณ์ที่เราชอบใครไม่ชอบสวดมนต์ก็ร้องเพลงท่องกรอนก็ได้ท่องบทกรอนที่เราชอบก็ได้นเนพยัญชนะเรียกย้ายจิตจากตัวเวทนาต่างๆมาจาับอารมณ์ใหม่ที่เราชอบถ้าเป็นอารมณ์เบุศนยิ่งดีใหญ่เลยอารมณ์เบญุศลที่เกี่ยวกับธรรมะนะ ท่องบทสวดมนต์ท่องกรอนท่องอะไรเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยมันช่วยจิตเป็นกุศลเไดวไหวนะดึงออกมาเพราะฉะนั้นมันดีกว่าที่เราจะปล่อยจิตใจไปจมแช่กับทุกขเวทนาทางกายมันช่วยใจเราไม่ได้เลยไหนๆร่างกายมันปวดเจ็บแล้วก็ปล่อยทําไม่รู้ไม่ชี้ดึงจิตมาอยู่กับการสวดมนต์คนที่ทําสมาธิเป็นก็ทําสมาธิ เอาจิตไปจดจ่ออยู่กับอารมณ์แบะอารมณ์หนึ่งพุทโธก็ได้ที่เราชอบอ่ะเอาจิตใจไปจดจ่ออยู่อารมณ์นั้นหรือลงหายใจก็ได้อหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เอาใจออกมาจากทุกเวทนาท่านมันเป็นการแยกนะมันเป็นการแยกเวทนาออกจากจิตได้ทันทีเลยมันแยกได้ใช่ัหม มันยังอย่างเนี้ยผมจะเอาความเอาสติมีอยู่ความรู้สึกตัวอยู่การเคลื่อนไหวจิตกับกายมันก็แยกกันการแยกไม่ใช่แยกกันไปไหนก็อยู่ด้วยกันแต่มันทำหน้าที่ต่างกันกายมีที่เคลื่อนไหวใจมีที่รู้สึกใช่ร่างกายมันไม่รู้สึกแบบแต่ใจมันรู้สึกกายมันก็เคลื่อนไหวแก่เจ็บตายไม่เลิกมันไป็นของมัน แต่ใจเราก็รู้สึกเนี่ยมันโคโสวนกันละแต่อยู่ด้วยกันเหมือนน้ํากับน้า ม, มันนี่ยมันน้ํากับน้ามันเราก็เหือนกันถ้ารู้สึกเอาจิตแยกออกมาได้เนี่ยมันจับอารื่อนเนี่ยมันเป็นการแยกอะไรตัวเลยกลายมีที่เจ็บปวดขณะที่มันปวดอ๋อการปวดเป็นเรื่องกายเอาใจมัอยู่กับสวดมนต์ร้องเพลงท่องบทกลอนหรือทําสมาธิ มันก็เป็นการแยกได้ในตัวขณะนี้ที่านกำลังนั่งฟังผมอยู่เนี่ยมันแยกแล้นะใจอยู่กับการฟังเมื่อรู้เรานั่งหรือท่าไหนไปทำฟังมันแยกออกมาแล้วโดยที่เราไม่ได้ปฏิบัติแต่มันก็แยกโดยธรรมชาติอยู่แล้วใจมันก็ฟังผ่านหูแต่ร่างกายมันไม่ได้ฟังกายมันก็นั่งซึมอยู่นั่นมันแยกได้ และยิ่งใครฝึกทำสมาธินี่มันยิ่งแยกชัดเจนติดอยู่กับความสงบหรืออยู่กับอารมณ์แต่ลหนึ่งพุโทโธอารมล์ไม่ใจเข้าออกจิตจับอยู่นั้นปับ๊บติดมันก็แยกออกมาจากร่างกายที่มีแต่ทุกขเวทนามาเลงเนี่ยเป็นเรื่องของกายเนี่ยไม่ใช่เรื่องของใจใจคือรู้เนี่ยรู้สึกอยู่กับอารมณ์แต่ลมันแยกและยิ่งคนที่จเจริญสติเนี่ยมันจะเกิดปัญญานะ คนฝึกสติเนี่ยทำความรู้ึกตัวกับกายกับร่างกายที่มันเคลื่อนไหวมางลมหายใจมากพลิกมือเล็บมันจิตมันจะตื่นคาว่าจิตตื่นจิตไม่ทรงไม่ทรงอยู่กับอาการของกายหรือร่างกายมันตื่นอรามาเป็นผู้ดูเพราะฉนั้นมันเข้าไปเป็นกับกายกายป่วยใจก็ป่วยเวทนาเกิดขึ้นใจก็ทุกข์ แต่เรามารู้สึกตัวจิตอยู่ความรู้สึกตัวมันตื่นอยู่ความรู้สึกตัวมันตื่นรู้มันก็ออกมาจากกายที่มันกำลังเกิดทุกขเวทนานีมันตื่นมาตื่นมาตื่นมาดูว่าอ๋อร่างกายทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้กายมันเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงมันป่วยไม่เลิกแก่ไม่หายไม่ช้ามันก็ตายใจมีค่หน้าที่รับรู้รับทราบเอาไว้ เห่นไหมเกิดปัญญาะ่ะไม่ยึดมั่นถึงมั่นกายว่าเป็นเราเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยเป็นโรงแรมที่เราอาศัยพักชั่วคืนเช้าขึ้นเราก็จะ เ, เออะ <c oughs> ช็ดอ้ออโรงแรมนะมันเกิดการเนี้ยเกิดปัญญาฝึกทําสมาธิฝึกทําสติฝึกสวดมนต์มันก็ถอนจิตตอนใจเาทุกเวทนาทางด้านร่างกายได้ใจก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ เนี่ยมันปลอดภัยนะมันจะสนุกป่วยชอบเกนวัาสนุกป่วย <c oughs> ผมก็สนุกพิการนอะวเศษสิทธิ์นิรอมันสนุกกับอยู่กับสภาพเช่นนี้ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเนี่ยต้องฝึกเอาไว้เราปึกเอาไว้เพื่อช่วยตัวเราเพราะเราต้องแก่ต้องเก็บตองตาถึงเวลาตายเยมันจะแยกออกได้ไหมเดีย๋ยวไปตายกับเขาให้รู้ว่าเป็นผู้ดูมันกลายเป็นผู้ดู ไม่ได้เข้าไปเป็นนะเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูไม่ได้เข้าไปเป็นในสิ่งที่เราเรียกว่าตื่นออกมามันตื่นตัวอย่างนี้หน้ามันอยู่ที่การฝึกอยู่ที่การฝึกแต่ที่สําคัญคือมันไม่ใช่เฉพาะร่างกายที่มันป่วยเวทนาทุกเวทนาที่มันแสดงออกมันสําคัญอยู่ที่ความคิดปรุงแต่งใช่ไหมไอ้การปรุงแต่งเนี่ยมันทำให้ทุกเวทนาดุร้ายมากขึ้น ที่ไม่ปรุงแต่งว่าทําไมถึงต้องเป็นเราเนี yeah. ่ยเราก็คิดใหม่เลยทาไมจะเป็นเราไปไม่ได้ในเมื่อคือก็เป็นเหมือนเราต้องคิดใหม่ต้องยอมรับทําไมเราต้องเจ็บป่วยวก็ตั้งคําถามครับตอบไปเลยว่าทําไมเราจะป่วยบ้างไม่ได้ในเมื่อความป่วยเป็นเรื่องธรรมดาทําไมเราต้องแก่ทําไมเราต้องสวยไม่เหมือนเขาทําไมเราต้องไม่แก่ด้วย ทำไมเราต้องสวยเหมือนเธอด้วยนยขัดแย้งไอ้ความคิดตัวเองทําไมต้องตา ย, ยและเราเราตายบ้างไม่ได้หรือี่เมื่อความตายเป็นเรื่องธรรมดามีแค่วิธีคิดแต่ถ้าคุณคิดไม่ได้แบบนี้ก็ไม่เป็นไรให้มีสตริรู้ทันรู้แต่ในความคิดปรุงแต่งนะไอ้ความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันนําเอาเหตุของความทุกข์มาสู่ใจเรากระเพาะความคิด ห้ามไม่ได้แต่ว่ามันคิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ห้ามให้เมตสิรู้ทันพอนี้มันคิดแหละแค่รู้ทันว่ามันคิดเนี่ยิ่งนั้นมันก็หายไปความคิดหยุดทำงานทันทีเนี่ยเวลาทำอะไรขึ้นมาคิดทำอะไรขึ้นมาพระเนี่ยจะทำงานใะแบบจะมีความคิดปูุงแต่งในเชิงที่ว่าทำไปทำไ ม, ำ ไ, มไม่ดีหรอกหรือความไม่พอใจเราคิดไม่พอใจอะไรขึ้นมาเนี่ย ถ้าเราไม่มีสตินะเรามีเชื่อความไม่พอใจเนี่ยเราสามารถไปฆ่าเขาก็ได้นะไปด่าเขาก็ได้นะอย่าเพิ่งไปเชื่อความคิดตัวเองให้มีสติรู้ทันกับให้ผ่านกรองสติกเนี่ยให้ส ต, ติมันกรันกรองเนี่ยพอมันคิดมาสติรู้ทันสติที่รู้ทันความคิดเราก็จะทําให้ความคิดที่มันหายไปได้ แต่จะมีความคิดอีกแบบหนึ่งที่เป็นองค์ที่ที่ประกอบด้วยสติไม่ใช่ประกอบด้วยอารมณ์ให้รู้ทันแล้วก็ต้องยอมรับในความคิดนั้นในความคิดเนี่ยถ่าเราไม่พอใจใครสักค น, นเนี่ยมันคิดไม่พอใจขึ้นม า, าเดี๋ยวเราจะปรุงแต่งต่อว่าเอะเราเราทาดีแล้วนี่ทำไมเราต้องทไมเราต้องเป็นอย่างนี้ด้วยห้ตัวตน ที่ดีในความคิดเนี่ยต้องรู้ให้ทันด้วยไอ้ตัวตนที่ดีของเราในความคิดต้องรู้ให้ทันแล้วก็ต้องยอมรับในความเป็นตัวตนที่ดีด้วยอะรับอ๋อมัเป็นตัวตนหนึ่งก็มันก็คือความคิดสติที่รู้ทันในความคิดแบบนั้เนี่ยมันจะเป็นปัญญามันจเหนว่าความคิดเดี๋ยเป็นสิ่งที่เป็นชั่ววูบขึ้นมาแล้วก็หายไปขึ้นมาแล้วก็หายไปมันไม่มีอยู่จริงหรอกความคิดที่มันหลอกมานชั่ววูบ แต่จะมีความคิดิีกแบบหนึ่งที่เราชนะความคิดหล่นได้แล้วเนี่ยความคิดที่ที่ประกอบด้วยปัญญามันจะแก้ปัญหาได้ดีมากในการทํางานต้องอาศัยสติรู้ทันความคิดตัวเองมันช่วยทําให้เราเนี่ยมีความสุขกับการทํางานได้เพราะฉะนั้นสติเนี่ยมันช่วยได้ช่วยคนที่มีความทุกขเวทนาช่วยคนที่มีความคิดปรุงแต่งพุ่งสร้าง ให้มันลดความฟุ้งซ่านลงได้ช่วยตัวเราให้มีความสดชื่นเบิกบานก็ได้ว่าตัวสติเนี่ยเพราะไม่มีอะไรมาปรุงแต่รู้ให้ทางความคิดตัวเองเถอดแล้วเราจะมีความสุขฉลาดในการทําหน้าที่ของเรานี่ผมนี่ก็ทําหน้าที่เหมือนเหมือนเหมือนทุกท่านเหมือนกันนะหน้าที่ผมคือมีมีแผนแผนกส่วนตัวแผนผมเนีแผน ลดความทุกข์ให้คนอื่นคนที่ทํางานในโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลสลื่อเนี่ยก็คือทำหน้าที่ลดความทุกข์ให้คนอื่นลดความทุกข์ให้เพื่อนมนุษย์เราก็ทํางานแผนกเดียวกันทักวนี้ผมก็ทํางานแผนกเนี่ยเรือที่จมรงเพิ่งกลับาทำแเหมือนเซเว่นเลยคนผ่านเข้ามานะเข้าไปช่วยหรืองานบ้างเข้าไป พูดคุยระ ม, มาปรึกษาเป็นเซเว่นแต่ประตูมันเลื่อนมันเลื่อนเองไม่ได้นะ <c oughs> ต้องเล่นมันเหมือนเซเว่นคนเข้ากันเยอะเนี่ยงานองคืองานลดความผิกไม่ใช่ลดทันทัน่างตอาอลดทันทันจิตใจให้เนี่ยคิดให้กำลังใจแนะนะนำวิธีการปฏิบัติตนเพื่อแก้ปัญหาตัวเองเแล้วก็ให้ข้อคิดเปลี่ยนวิธีคิด เพื่อแก้ปัญหาตัวเองเพื่อตัวเองคนที่มาพูดศาสตร์แนะนำมาอย่างนี้เราไปใช้กับตัวเองสิให้เขาได้ประโยชน์ก็แก้ปัญหาตัวเองได้ก็ใช้ได้มันเป็นงานที่มีคุณค่านะงานที่ลดความทุกข์ให้คนอื่นเนี่ยเป็นงานบุญคนที่ทํางานในโรงพยาบาลเนี่ยคือการพู้ที่มาทําบุญทําบุญเรากําลังทําบุญบุญคือความสุขมันเกิดที่ใจ งานอาชีพของพยาบาลของคุณหมอออกเจ้าที่เนี่ยเป็นงานอาชีพที่สุจริตช่วยเหลือสังคมส่วนรวมช่วยเสังคมส่วนรวมแล้วก็พัฒนาจิตใจตัวเองให้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเป็นงานที่มีคุณค่าเราจะเห็นคุณค่าของตัวเองในนั้นจะต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราทํำมีคุณค่าไหม ถ้าสิ่งนั้นมีคุณค่างานลดความทุกข์ให้คนอื่นเนี่ยทางานสิงนี้ปั๊บเราก็กลายเป็นคนที่มีคุณค่าขึ้นมาเรายคนที่มีคุณค่ายิ่งทำเนี่ยยิ่งเห็นตัวเองที่มีความหมายมากยิ่งขึ้นคนที่ทําแล้วจะรู้ว่าเรามีความหมายชีวิตที่มีความหมายมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเราช่วยเหลือใครเขาเขามีความสุขเราก็พ้อยสุดด้วย คุณหมอเชื่อเหลือคนไข้รักษาคนไข้คนไข้าหายคนไข้มีความสุขคุณหมอก็มีความสุขพยาบาลก็มกดูแลคนไข้อาการเขาดีขึ้นพยาบาลก็มีความสุขความสุขของเขาของเราเนี่มันก็เกิดด้วยกั น, เ, นเวลาผมไปทานข้าวหรือไปทานข้าวที่ไหนเนี่ยผมชอบดูคนที่เขาทานข้าวอยู่กาย โอ้โหเาทานอร่อยมากไอเราทานเองไม่ค่อยอร่อยเหมือนเขาเขาทานอร่อยอร่อยพอเขาอร่อยเราก็อร่อยด้วยนะบางทีเราทานเองไม่อร่อยเท่าเขานละยเห็นไหมเวลาโฆษณาทีวีนะอาหารไม่อยากยโอ้สวยดีมากเลยจัดไว้สวยรูอ้อร่อยดูแล้วหน้าทานเราทานท้องกินก็อย่างนั้นดูเขาทานดูก็มีความสุแล้วก็อร่อยมีความสุก ด, ด้วยคนที่นอนคนที่นอนกับใครก็ตาม ที่คนค้างนอนกนเนี่ยอย่าไปราคาญเขาไอ้คนที่กขานอนกลนโอ้อนุโมทนาเนาะเขาหลับอย่างมีความสุขเห็นความสุขของเขาเป็นความสุขของเราได้โอ้เขานอนกลนเสียงดังแต่ว่าสุขมากดังเสียงดังมากหน่อยอย่าไปราคาญไปราคาญเขาเนี่ยเราเสียเปรียบเขนานะเขานอนมีความสุขแต่เราลาคาญนอนมีกว่าสุขไปมีประโยชน์อะไรคนนอนกลนเนี่ยเขามีความสุข เรก็ปล่อยที่สดชืเรื่อ ม, มุติจัดติดมูติจัดติดคือพลอยินดีเมื่อเขาประสบความสำเร็จหรือเขามีความสุขต้องป อ, อยินดีมีคําถามว่ากล้วยหนึ่งใบจะทานกล้วยนี่ยังไงให้มันอร่อยโอ้ไม่ยากเลยเอากล้วยหนึ่งใบนี่มาแบ่งกันทานมันก็อร่อย ใช่ไหมทานคนเดียวไม่แน่อร่อยถ้าแบ่งกันนึ่งใบแบ่งกันนะมีคนก็แบ่งนะทานพร้อมๆกันมันก็เป็นกล้วยที่ทานแล้วอร่อยได้กันของที่แบ่งกันทานมันอร่อยนะความสุขที่แบ่งกันได้มันก็มีความสุขนะความสุขของเขาก็เหมือนความสุขของเรานะมันแปลกที่ว่างานที่ช่วยเหลือส่วนรวมเป็นประโยชน์กับสังคมเนี่ย สิ่งนั้นมันกลับมาย้อนเป็นประโยชน์กับตัวเราเราทําสิ่งที่มีประโยชน์กับสังคมเป็นส่วนรวมเนี่ยสิ่งนั้นทําไปแล้วเนี่ยเราก็ครอยเทียมีความสุขด้วยมีแต่ความเพลินดีประโยชน์ก็จะเป็นของเราไดา้ประโยชน์นี้ไม่ใช่ประโยชน์ทางวัตถุนะไม่ใช่ประโยชน์ทางวัตถุประโยชน์ทางด้านจิตใจคนที่ช่วยเหลือสังคมเนี่ยวัตถุไม่ค่อยมีหรอกแต่จิตใจนีเขาเรียกชีวิตดี ชีวิตดีกับฐานหน้าดีนี่ต่างกันนะฐานหน้าดีนี่เอาเรื่องวัตถุเป็นหลักเนี่ยมีลาบมียศมีวัตถุมากมายนั่นคือฐานหน้าดีแต่บางทีชีวิตก็ไม่ดีมีลาบมียศมากมายเนี่ยบางทีก็นอนไม่หลับนะแต่ว่าฐานหน้าดีแต่ชีวิตไม่ดีชีวิตที่ดีคือที่ต้องมีความสุขมีคุณค้ามีประโยชน์ ว่าที่ฐานะอาจจะไม่ดีก็ได้แต่มันก็มีความสุขนะเนีย่ยชีวิตพระเนี่ยพราบวชมาเพื่ออะไรเพื่อให้มีชีวิตดีไม่ใช่บวชมาเพื่อฐานะดีนะบวชให้มีชีวิตดีมีความสุขทำหนะ้ า, าที่กับสังคมได้อย่างสุรวมได้อย่างมีคุณค่านะีบางคนก็โชคดีชีวิตก็ดีมีความสุขฐานะก็ดีด้วยเพราะฉะ น, นั้นเราอย่าไปได้เรื่องฐานะดี ฐานะเป็นเรื่องวัตถุบางทีมันก็ไม่มีความจำเป็นหรือเราเท่าไหร่แต่ชีวิตดีมีความสุขเนี่ยมันก็อยู่ก็ดีตายก็ดีมันมีความหมายของชีวิตตรงนี้นักคนที่ทํางานทาประโยชน์เนี่ยอย่าเป็นเร่งอย่าเป็นนึกถึงวัตถุเป็นหลักเอาที่มีชีวิตดีที่มีความสุขจะประโยชน์ได้มากแค่นี้ก็พอแล้ว <Yeah. S 1> นั้นผู้ที่ทําหน้าที่ก็ขอยตั้งใจ ตั้งใจทําที่แบบทําที่แบบมีใจทําที่แบบมีใจมีใจออะไรคือเต็มใจที่จะทำด้วยความรักด้วยความเมตตาเห็นคนที่เราเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเหมือนญาติของเราเนี่ยเขาทำที่แบบมีใจเนี่ยจะมีชีวิตดีเห็นคนที่เราไปช่วยเหลือเนี่ยเหมือนญาติของเราดูแลเขาเหมือนญาติของเราด้วยการเอาใจใส่แค่เนี้ยแค่เราตั้งใจกันเนี nice> ่เราก็มีความสุขแล้ว หมดหน้าที่ที่จะทำตรงนี้แนละ้วส่วนผลจะเป็นยังไงนั้นก็เป็นเรื่องของผลแต่เราทำหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วผลก็เป็นเรื่องของผลมาอาจจะดีหรือไม่ดีก็ไม่สําคัญแต่เราทําที่เราให้ดีก็ใช้ได้ตรงเนี้ยแต่สิ่งสำคคือเมื่อเราตั้งใจทําความดีสักเกือนนะพอตั้งใจทําความดีแป๊บเนี่ยมันจะมีความคิดอะไรที่มันมันหลอกให้เราจะหวยออกจากสิ่งที่เราจะต้องทำใช่ไหม เราตั้งใจว่าจะทําความดีทำอย่างนี้เนี่ยมีถึงอย่างจะแผลก็คือไ อ, อ, อ้ความคิดที่มันปรุงแต่เนี่ยทำไปทำไมมันจะได้อะไรเนี่ ย, ยไม่น่าทำเสียเวลาตรงเนี้ยต้องมีสติรู้ให้ทันสติรู้ให้ทันไอ้ความคิดที่มันบั่นทอนความดีของชีวิตของเรามีสติรู้ให้ทั น, ทนถ้ามีสติรู้ทันอารมณ์นี้แล้วก็เราจะสามารถข้ามพ้นจากอุปสรรคต่างๆเนี่ย วิธีการทําให้มีความถูกก็พยายามมองข้าวอุปสรรคอย่าไปติดตันอยู่แค่อุปสรรคมองข้ามองข้าอุปสรรคแล้วลองทําถึงจะต้องการจะทำํำดูมันจะทำไรฉันเ็จก็ตรงเนี้ต้องมองข้าอุปสรรคไปก่อนอย่าเพิ่งไปติดวนะ่ามคงไม่ได้มันคงไม่ไหวมันเปลี่ยนเป็นไม่ไหวเป็นไม่เป็นไรยซะไม่ไหวไม่ไหวไม่เป็นลายไม่เป็นลาย พอไม่เป็นไรเนี่ยมันปล่อยวางเลยคำว่าไม่หวนี่มันจบลงที่ไม่ทําทําไม่เป็นไรเนี่ยมันอยากจะลองทําเปลี่ยนก็เลยแล้วมันจะสําเร็จได้น่ะบางทีไม่ถ้าเราไม่ลองไม่รู้นะลองทําให้เป็นลายลองก่อนไม่ได้ก็ไม่ได้แต่เราได้ลองมีบางอย่างในพ้องพุ่งตัวเองอย่างเช่นหยิบหยิบเจ้าน้ําสักใบหนึ่งพยายามหยิบมืออย่างเงี้ยพยายามหยิบเจ้าน้ำ หยิบไป ม, มันก็หยิบยากนะไม่เป็นไรล่ะถ้าเราหยิบไม่ได้เราก็เสมอตัวแต่ <c oughs> เราหยิบได้ขี้มานี่โอ้เราเอาชนะใจเราเองนะนะมันเอาเอาการเสมอตัวนะเขียนหนังสือตึกไปพยายามเขียนหนังสือมืออย่างเงี้ยจับปากกาจะจับได้ไหมนะแล้วก็ลองเนบปากกาเสียควอมเขียนเนบเขียนดูถ้าเราเขียนไม่ได้มันก็เสมอตัว แต่เราทําได้ขึ้นมาเลยโอ้มันมีกํำลังใจว่ามันมันไม่ขาดทุนน่ะมีแต่กำไรอ่ามีแต่ได้กำไรมีเสียมันต้องลองถ้าไม่ได้โอเราไงก็ไม่ได้อย่างนีเป็นธรรมดาแต่ถ้าได้ขึ้นมาล่ะโอ้มันไปมันพลิกผันไปเรื่อยเลยนะมันต้องมันต้องกล้าที่จะลองกนพอไม่พอบอกไม่ได้แล้วก็ไม่ลองเนี่ยมันก็มันก็อยู่แค่นั้นอ่ะไม่พัฒนามันต้องลองต่อต่อต้องมีสติ รู้ไหมทาในความคิดที่มันบั่นทอนความสำเร็จของเราต้องมีสติรู้วหยทันเเรื่องของสติเนี่ยเราฝึกได้นะฝึกได้ทุกศาสนาจะเป็นชนชาติใดเนเกิดในศาสนาใดาเนี่ยฝึกสติได้ทั้งนั้นนทุกชาติศาสนาฝึกได้ไม่ใช่ของศาสนาพุางเดียวทุกศาสนา ฝึกสติเอาไว้เนี่ยมันเป็นหลักสากลสติเป็นหลักสากลขนาดคนที่เขามองเห็นเราเป็นคนบ้าคิดว่าคนนี้เป็นคนบ้าแต่ใช่ไหมเขาฝึกสติได้เขาเป็นคนบ้าที่ไม่โง่มองอาการภายนอกเขานี่แต่งตัวรูมล่ามไว้เหนือไว้เขาดูเหมือมมนคนบ้า แต่ใจเอาไม่โม่เนี่ยให้เขาฝึกสตินียทําสอนให้เขาฝึกสติแบบหลวงพ่อเทียนยกมือสิบีจังหวะเคลื่อยไหวสิี่จังหวะเนี่ยเขาทำได้ดีมากทำก็ดูผมก็ดูว่าทําเขามี็นสิ่อยู่กับการเคลื่อนไหวของมือสิบสี่จังหวะสิบสี่จังหวะแนวหลวงพ่อเทียนนะให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัว เขาทำได้ดีมากก็นั่งดูแล้วแล้วจะถามว่าเป็นไงบ้างบอกมันดีครับมันตื่นตัวดิโอ้โหนี่ถ้าฝึกสติตัวนี้บอกตื่นตัวเนี่ยมันไม่ธรรมดาเพราะคนคิดว่าไม่บ้าแต่งโง่เนี่ยบอกคนที่คิดว่าไม่บ้าแต่มันโง่เนี่ยบอกว่าทำไปมีแต่ความคิดทําไปมีแต่ความม่วทําไปมีแต่ความขี้เกียจแต่คน เขาบอกว่าบ้าแต่ไม่งงเนี่ยเขาบอกทําแล้วมันตื่นตัวแสดงว่าเขาตื่นออกมาจากความรู้สึกของความง่วงความคิดจุกความคีดเกียดเขาตื่นตัวมาแสดงว่าเขาเป็นคนที่พัฒนาจิตได้เดี๋ยวเนี้ไปช่วงในพันตราเนี่ยที่ว่าคนที่บอกเขาเป็นคนบ้าในพันตราทานอาหารวันละหนึ่งมืม้อ ทานอาหารวันละหนึ่งมือ้อวันเดียวมีมื้อเดียวเขาอยู่ได้แล้วทางานได้ตามปกติด้วยเฉพาะวันพระไม่ทานอะไรเลยวันพระดื่มแต่น้ำเนีไม่มีของกบเคี้ยวเขาอยู่ได้แล้วตอนเนี้เขาทาสิทธิ์ดีมากเขาทาของความกระตันอยู่เขาเดินจากสุพรรณไปเชียงใหม่เพื่อจะไปให้ทันวันเกิดของครูบาอาจารย์ของเขา เขาเดินบูชาคุณของครูบาอาจารย์ <c oughs> คนบ้า ท, ทำอย่างนี้แต่ว่าคนบ้าแต่เป็นโง่แต่คนโง่ <c oughs> แต่บา้าไปบ้าเนี่ยลบลูบลูบาอาจารย์ไม่กตกต่ตาอยู่เห็นไหมมันต่างกันนะไอ้ความกินรนต่างกันนะเขาเดินไประยะเก้าเลยมียติตามก็โทไปคุยไปถามเข้าไป็นไงก็เดินไปเียนห น, นอยู่ถึงจังหวัดตากแล้ว เรีว่าก่อนสิ้นเดือนจะต้องถึงเชียงใหม่ไมกมปกราบกูบาลจาัน <c oughs> คนเดียว <c oughs> เดินจนหน้าฝนเนี่ยเดิ น, นแล้วเดินไปเนี่ยเดินยังไงเดินแบบมีสติไปด้วยนี่เขาเดินแบบมีสติไปกับสติอยู่กับเนกับตัวหลมงอาเทียนบอกว่าคนบ้านเนี่ย เขามีความคิดมากมาเขาคิดดีเขาคิด ด, นะดีแต่เขากลับบ้านไม่ถูกเข้าใจไหมคนบ้าเขาคิดดีนะมีไว้ที่ดีมากแต่เขากลับบ้านไม่ถูกไอ้คาว่ากลับบ้านไม่ถูกเนี่ยมันคืออะไรรูไ้ไคือเขาไม่รู้สึกตัวเขาคิดก็ไปความคิดเลยเขาไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกว่าตัวเองกำลังคิดคิดก็ไม่รู้ว่าคิดมาเลยไป ความคิดจริงไม่ค่อยเป็นระเบียบแต่เขาคิดดีนะแต่ว่ากลับมาไม่ถูกว่าเขาไม่รู้สึกตัวคนบ้าจะไม่รู้สึกตัวแต่ถ้ารู้สึกตัวแล้วไม่บ้าถ้ารู้สึกตัวแล้วไม่พ้านะเรื่องคนที่คิดดีระาวาังให้ดีนะคนที่คิดดีต้องกลับบ้านให้ถูกด้วยนะคนคิดดีๆเนี่ยบางทีถูกความคิดดีมันหลอกว่าเราดี ดีกลับบ้านไม่ถูกไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองกำลังคิดตั้นทำไมนในความดีของเราระวังจะถูกความคิดไปคิดมากๆจนเป็นโรคแทรกซ้อนแบบเกิดโรคพาคิดตั้นเห็นไหมโรคพาคิดตั้นไม่ใช่โรคพากินตั้นโรคพาคิดตั้นคิดพาตัวเองไปฆ่าตัวตายเพราะกลับบ้านมาถูกพราคิดแล้วไม่รู้สึกตัว เกิดโรคภัยที่สร้างเราใจสลายฟังรู้สึกตัวเขาไว้ยนะมีสติเขาไว้ให้จิตใจอยู่กันื้อกัตัวเขาไว้เนี่ยมันจะหลรอดพ้นจากปัญหาทั้งหลายฝึกเอาไวส้สติมันมีประโยชน์สำหรับเรามันช่วยเหลือเราได้เวลาที่เราร่างกายเป็นทุกข์มีโรคภัยใกล้เจ็บมีสติแล้วนะจิตมันไม่ไปทุกข์ด้วยเป็นผู้เห็นความทุกข์แล้วก็ไปช่วยเลยไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้เห็นความทุกข์ไม่ได้เข้าไปเป็นผู้ทุกข์ ถ้าเราไม่ฝึกสติเนี่ยเราก็ทุกอยู่ล่งไปกลายเป็นทุกข์ใจไปทุกข์ด้วยฝึกสติเอาไว้มีพลังเข้มแข็งจิตเข้มแข็งแล้วเมื่อร่างกายเป็นทุกข์ใจไปไม่ทุกข์เป็นผู้เห็นความตัวแล้วก็ช่วยเหลือสติสามารถดูแลจิตดูแลจิตให้เป็นปกติเหมือนพยาบาลเหมือนหมอที่ดูแลร่างกายที่ป่วยไข้สติเป็นพยาบาลเป็นหมอ ดูแลร่างกายที่ปวดไข้สติเป็นพยาบาลเป็นหมอดูแลจิตใจที่มันเศร้าหมองได้คนไข้ของเราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกก็คือใจของเราเองเนี่แหละคือคนไข้ไข้ในที่ต้องดูแลก่อนฝึกกระไว้เดี๋ยวเราพูดอย่างเดียวไม่ได้ปละนได้ผล ม, มีแค่ทฤษฎีลองฝึกดูซิลองฝึกสติดูซิขอสักหานาทีนะหดูซิฝึกได้ไหม เราจะเป็นคนเป็นคนไม่บ้าและไม่โง่เอามือขวาเอาข้างเดียบันสมมุติว่าท่านเป็นคนพิการโลกสมมุตินะเดินไม่ได้ขยับเขย่าแบไม่ได้นอนแบบอยู่กับเจนนี๊ยปัณณีมีโอกาสนั่งได้คิดว่าเราเป็นคนพิการเราจะสติแบบคนพิการเปิดได้ไหมใครว่าเปิไม่ได้ไมั้ย เอามือขวาว่าไว่ห้ามไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องห้ามความคิดไม่ต้องตั้งใจคิดให้รู้สึกตัวกับการคลิกมือหงายคลิกมือคว่ำที่มือหงายก็รู้คลิกมือคว่ำก็รู้เนี่ยหงายก็รู้ รู้ว่านับปัจจุบันนี้เรากาลังเคลื่อนไหวหมือให้รู้สึกรู้อย่าไปห้ามความคิดอย่าไปจุ้งกับความคิดอย่าไปตั้งความคิดแล้วมันต้องหลับตาดียมันจะหลับไหนนะจะเข้าลึกไปหน่อยก็เป็นชานเดี๋ยวเข้าชานสมาหลับไปพลิกมือแล้วก็รู้สึกนะพิกมือความก็รู้ พลิดมือหายก็รู้ให้รู้สึกที่มือมันไหวๆนะให้รู้สึกที่มือมันือมันไหวๆมันจะความจะหงายใช่ไหมเธอะถ้ า, ถามือมันไหวๆแล้วเออเรารู้สึกตัวแล้วเราไม่บ้าแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วจิ่เป็นปกติแล้วพลิกไปก็รู้สึกอย่าไปเพ่งมันนะรู้แบบดูๆอย่าเอาตาไปเพ่งมันเครียด รู้แบบดูดูแบบเล่นเรู้เล่นเล่นแต่มีรู้กันแล้วรู้เล่นเล่นแต่รู้รูแ้สบบึก eh? ความก็รู้เวลาเคลื yeah. yani ่อนไหวแล้วก็รู้เล่นเล่นแบบดูดูรู้แบบแยกแยะฝึกเอาไว้น่ารู้แบบแยกแยะกายมันเคลื่อนไหวอยู่นอกแต่ใจมันรู้รู้ออกมาข้างในรู้ความรู้สึกออกมาจากข้างในการเคลื่อนไหวอยู่นอก ทิ้มือรู้ฝึกเอาไว้นอนไม่หลับเมื่อไหรก็ามารู้สึกตรกนี้นึกอะไรไม่ออกก็มารู้สึกตรงนี้รอคอยคนที่เราอคอยแล้วไม่มาสักทีเราก็รู้สึกเข้าไว้ทิดมือก็รู้ความคุ้นเบื่อนาไม่อยากฟังใครพูดก็มารู้สึกเวลา ง, ง่วงก็รู้สึกคิดอะไรไม่ออกก็รู้สึก มันเครียดมันโกรธก็รู้สึกตัวเนี่ยทำได้ไหมเนี่ยถ้าบอกไม่ได้ก็ทำก็ต้งจะหมดเลยทำได้ไหมเนี่ยให้เวลาเราเคลื่อนไหวรู้สึกบปัจจุบันนั้นว่าเรากาลังเคลื่อนไหวเลยไม่ต้องใจวงความจิตรู้บ่อยๆเนี่ยจิตมันจะมีเครื่องอยู่นะเวลาเราป่วยไข้เนี่ยห้ามลงาจากเตียง ไปไหนไม่ได้แล้วก็พลิกมือเล่นรู้สึกถ้าเราขยับได้เราก็รู้สึกถ้าขยับไม่ได้เลยรู้สึกกลมหายใจกระดางผมยังขยับไม่ได้ใหม่ๆผมก็กระพริบตาเล่นรู้สึกได้ลมหายใจเข่าก็รู้ออกก็รู้ยาคิวเึ๊บรึ๊บรรู้สึกตรงไหนมันเคลื่อนไหวเนี่ยเอาใจไปรู้ตรงนั้นใจจะได้ไม่หลงไปคิด ถ้าใจไม่อยู่กับเนือตัวจะคิดฟุง้งซ่านนอไม่หลับก็เป็นโรคพาคิดตั้นก่การเจริญสติเนี่ยมันทำให้เรามีเครื่องอยู่ของชีวิตเป็นการบริหารจิตที่ดีเยี่ยมเลยคนทุกคนต้องใช้มันแก้ปัญหาได้แต่ละพัทเพราะสติเนี่ยมันจะรู้บ่อยๆมันจะนำเอาปัญญา มาเข้าใจอย่างที้เราเข้าไปรู้นึกอะไรไม่ออกก็ให้เจระสติเวลาเกิดปัญหาอะไรนึกวิธีแก้แก้ปัญหาไม่ได้ไม่เป็นไรให้พลิกมือเจระสติแล้วมันจะหมดปัญหา <c oughs> คนสติย่อมดีขึ้นทุกวันพรเจา้าตรัสเอาไว้ว่าคนสติย่อมดีขึ้นทุกวัน เพราะเรื่องของการเจือนสติเนี่ยเป็นหลักสากลไม่ใช่เป็นของศาสนาใดศาสนาหนึ่งทุกศาสนาฝึกได้ยังนั้นเป็นเรื่องของของชีวิตของตัวเราที่แก่เอานะ ก, านก็่อยนว่าสมควรแก่เวลานะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรทุกท่านเนี่ยจงมีสติมีปัญญาเนี่ยมีความสุขพาจิตภาใจ สิ้นทุกนะัสิ้นชีวิตโยการตุกตันทุกคนเถิ